แต่ต่อเ น, นื่ไปถ้าว่าใครอยากจะไปศูนย์ขอนแก่นก็ได้หรือว่าศูนย์อุดรศูนย์ศิริกิตแต่ศูนย์ธิริกิตศูนย์ใหญ่กว่าแต่ถ้าว่าศูนย์ธิริกิตติดเข้าไม่ได้ก็ไปที่โรงพยาบาลศูนย์คอนแก่นเถ้าไปศรีนครินไม่ได้เพราะศรีนครินจะคงจะเป็นคิวยาวนะคนดูดูแล้หลวงพ่อฟังแล้วก็ยาวนะแล้วก็เรื่องตีสองที่จะ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 ปีนี้จะมีแพทย์หญิงด้วยที่จะมาปฏิบัติธรรมแต่ว่าแพทย์นายผู้ที่เป็นแพทย์ชายเนี่ยก็นักเรียนนักศึกษาปี3จะเข้าปีสี่ปีสเข้ามาบวชปีนี้ทั้งหมด12บสองนาคแล้วก็มีนาคของเราระสมประสานเข้าไปอีกหนึ่งเป็น13ปีนี้วันที่24เนี่ยแะที่จะถึงน่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 สิริราชหรือว่าไม่ดนเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันก็รับกลุ่มนั้นเข้ามาอีกเจสถาบันแต่ลงพ่อมาพิจารณาดูท่านหนักถ้าจะพูดไปก็หนักก็หนักนีแต่มาพิจารณาถึงคุณค่าของลูกหลานที่จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนายืมยืนยาวนานควรจะรับเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแสดงความจำนองไปทุกแห่งหนไม่ใช่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 คนหนึ่งก็บค้านขึ้นมาไม่น่าใจะใช่นะอบางทีคนที่ว่าดีๆสวยๆงามๆบางทีไปเห็นคนด้วยการกระทําหน้าบูดหน้าเบี้ยวเ อ, อขึ้นมาอีกก็ไม่เป็นที่พอใจอีกสิ่งที่เป็นมงคลก็กล า, ายเป็นอั ป, ปมงคลขึ้นมาอีกก็ได้คนน่าจะหูมากกว่าถ้าได้ยินเสียงเพลาะๆคนกล่าวขึ้นมาก็เป็นที่พอใจเรานั่นแหละเป็นสิ่ ง, งเป็นมงคลมหามงคล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 พคนขาดสติขาดการยับยัง้งนี่แหละให้ครบบัณฑิตนักปลาดห้าคนเนี้ยไม่คิดฆ่าคนอื่นให้คบเขาอย่าไปขโมยคนอื่นถ้าไปขโมยคนอื่นเขาเรียกว่าผิดสามีภรรยาคนอื่นเขาโกหกเขาเนี่ยพร้อมที่จะเข้าคุกเข้าตารางไดเออไ้เพราะหะไรเพราะห น, นีจากบัณฑิตนักปลดัดไปคบคนผ่านภานลชน แต่มันห้าคนมันมากเกินไปไหมหลวงพ่อเอาสักสองคนได้เอาสักน้อยกว่า น, นั้นได้ไหมได้ให้รับภรทคคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีฮิลิฮิลิคือความละอายแก่ใจโอตรปะคือความกลัวต่อบาปคบบันฑิตสองคนนี่ก็ น, น่าจะเพียงพอฮะบันติตสองคนเซวนาจะบาลานังบันฑิตานั้นจะเสวนา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 อันนี้คือเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องดูแลปุตปตทาแต่ ส, สั่งเขาโหให้สงขอลูกออนาคูลาจะกรรมมันตายอย่าไปทำอาการที่เป็นอากูลอาดูลงานไล่าชาเยต ม, มังครมุตต ม, มังเป็นมงคลอันอุดมนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านไล่ไปเป็นทีละข้อละข้อละข้อเพราะนั้นกอให้พวกเราคณะจต่าญาติโ ย, า ย, ยมลูกหลานทุกคนนะ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 เพชรนิลจินดาของเราอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วไปปะลลกไม่มีขโมยโพยโจรไม่มีคนคดคนโกงเป็นของใครของเราเพราะนั้นบุญกุศลท่าเข้าสู่จิตใจของเราแล้วเป็นของสมบัติของเราโดยตรงไม่มีใครจะมาคดมาโกงมาแย่งมาชิงเอาได้เพราะนั้นควรจะสั่งสมคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็ควรประกอบสิ่งนั้น สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําพูดทําสิ่งที่ดีพวัะนั้นขอฝากไว้กับคณะจตหาญาติยาโยมลูกหลานทุกๆคนนะแล้วก็พร้อมกันพวกนาคที่จะบวชวันที่24นกักศึกษาก็ให้ตะ อ, อกตั้งใจมาเ้านี่มาบวชจริงๆแล้วไม่ได้มาอย่างอื่นไม่ได้มาทะเลทถลายทางโลกเราก็ผ่านมาพอรู้พอสมควรเราเคยอยู่เคยกิน